<c oughs> มากันหมดทุกคนนอยัง <c oughs> ถ้าเผื่อพร้อมกันแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมฟังธรรมคำว่าธรรมธรรมคือความถูกต้องความดีงามคำว่าธรรมนะั่นนะ ฉะนั้นการปฏิบัติเรามาปฏิบัติเพื่อให้ความดีความถูกต้องความดีงามเกิดมีกับเราเพราะชีวิตของพวกเรามันมีอนาคตยิ่งอนาคตที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเตรียมตัวรู้ไว้นะ ทางที่ดีสวรรค์สมบัติเป็นเทบุเทเวดาเป็นพระ อ, อินรพระพมเสวยความเป็นทิพย์จนถึงที่สุดเข้าสู่มรรคผลนิพพานคำว่ามรรคผลนิพพานมีแต่ความดีมีแต่ความสุขล้วนๆเรื่องที่จะ เกิดความทุกข์ทางกายทางใจเนี่ยมันไม่มีเหมือนมนุษย์คนเราฉะนั้นมนุษย์คนเราขนาดที่เรานั่งอยู่เดี่ยวนี้มันก็ไม่แว้นที่จ ะ, จะแสดงความเจ็บความปวดเหนื่อยมือยเหวี่ในโลกมนุษย์พวกเราเป็นมนุษย์นั่นแนหะ ฉะนั้ น, นะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ตื่นตัวรู้ตัวไม่อย่างนั้นแล้วมันจะมีแต่ความหลงหลงการการะ ท, ทำทำในทางที่มันไม่ดีทำมันผิดมันผิดศีลผิดธรรมผิดแม่บทกฎหมายชีวิตอนาคตนะน่ะมันก็นเป็นไปในทางที่มันเป็นทุกข์มันชั่ว มนุษย์คนเราน่นนะมันมีร่างกายกับจิตใจตัวพวกเรานี่ยน่ะร่างกายของเราบำุงด้วยปัจจัยสี่อาหารการอยู่การกินเครื่องใจเครื่องส้อยที่อยู่ที่หลับที่นั่งที่นอน เราเอาปัจจัยสี่นี้เป็นเครื่องบำรุงเป็นเครื่องบำบัดความเป็นทุกข์คำว่าบำบัดแก้ไขความเป็นทุกข์นั้นคือหมายกุมว่าถ้าไม่ได้นอนมันก็นเป็นทุกข์มีแต่ทํางานไม่มีเวลาหยุดมีแต่เยือนไม่ได้มีเวลานั่งอะไรเหล่าเนี้ ฉะนั้นอนะ่เรื่องร่างกายของพวกเรานะ่นะก็เหมือนอย่างที่พวกเราร้รู้อยู่นี่แหละแต่ทีนี้เราเข้าใจในสิ่งที่ควรบำดงุงในสิ่งที่ควรแก้ไขยังไงร่างกายของพวกเราแต่เรื่องใจที่เนี้ยทำยังไงที่เนี้ยเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องบำดงุง เราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องแก้ไขแก้ไขอะไรความทุกข์ที่ปรากฏจะมากจะน้อยปัญหาทางใจจะปรากฏขึ้นในความรู้สึกจะมากจะน้อย มันไม่ไดม้มีอยู่ที่อื่นมันไม่ไปรู้มันไม่ได้เห็นอยู่ที่อื่นมันมีอยู่ที่ใจชะนั้นอาการบำรุงใจพวกเราจะเอาประจิติเครื่องอยู่เครื่องกินอาหารกันบริโภคเข้าบำรุงใจเนี่ยมันเป็นอาถารพณ์มันเข้าบำรุงไม่ได้ สิ่งที่บำรุงใจคือความดีความดีนี่เป็นความดีเกิดจากศีลธรรมเท่านั้นลักษณะเกิดจากศีลธรรมคือความดีเข้าบำรุงใจกบฟังแต่ว่าดีเราเข้าใจลักษณะของศีลธรรมเข้าบำรุงใจทาใจของเราให้ดีขึ้น ความดีมันกับปรากฏขึ้นการบำรุงใจด้วยความดีเราจะไปเรียนรู้ลักษณะไหนเป็นลักษณะที่เราควรจะเข้าใจเราควรคี่เรียนรู้ลักษณะของใจเรียนรู้จากอารมณ์อารมณ์ดีการใดเวลาใดวันไหนอารมณ์ดี มันก็นมีความจุกมีความจะบายถ้าการใดเวลาใดอารมณ์ไม่ดีมันก็นมีความทุกข์ทุกใจยังไม่แล้วมันทุกทางร่างกายอีกฉะนั้นการทำให้เจียตใจมันโตขึ้น เราต้องเอาลักษณะความดีจากศีลธรรมลักษณะความดีจากบุญจากกุศลเข้าเป็นเครื่องบำรงมันบำรงใจความดีจากลักษณะของถีนธรรมเป็นยังไงยกตัวอย่างในขณะที่พวกเรานั่งอยู่เดียวนี้ ให้มีความยินดีในการนั่งฝึกสมาธิสมาธิคือความสงบเรานั่งอยู่มากต่อมากเรามีความยินดีทำใจให้สบายสบายเราสามารถที่จะนั่งอยู่ด้วยกันได้ไม่ต้องโูดไม่ต้องควยกันลักษณะนี้ความดีที่เกิดจากสมาธิสมาธิคือความสงบ ฝฟือให้เป็นนิสัยความดี น, นี่หรือความดีจากความเป็นธรรมอันเดินอย่างขันติธรรมใช้ความอดใช้ความทนอย่าหวั่นไหวในขณะที่เจ็บปวดเหนื่อยเมื่อเหิ่ยวระง่วงเหงาเหานอนจิตใจฟุ้งซ่านลำคาญขึ้นมา ให้ใช้ความอดใช้ความทนใช้ความพยายามเพาเพียนตั้งใจดีๆตั้งตติดีๆเราฝึกความเป็นธรรมมันนี่แหละจากนั้นความเป็นธรรมอกอกั น, นึ่งสมปัญญะรู้ตัวให้รู้ตัวอยู่ที่ไหนเวลาใดทำอะไรให้รู้ตัว เราจะไปอย่างนี้มันผิดหรือมันถูกให้รู้ตัวไวเราจะทําอย่างนี้มันผิดหรือมันถูกให้รู้ตัวไวเราจะอยู่จะจินจะเดิมจะอยู่จะจินลักษณะนี้มันผิดหรือมันถูกให้รู้ตัวไวสัมปชัญญะรู้ตัวผิดถูก who? Who? มีอะไรเป็นเครื่องวัดที่เนี่ยเมสินทำเป็นเครื่องวัด เพศเสินผิดธรรมมันก็ผิดแหละไปทำมากเพีดมากเป็นบาปมากเสียมากพูดเรื่องเหล่านั้นมันเพีดมากบาปมากเสียมากคิดเรื่องเหล่านั้นบาปมากเสียมากฉะนั้นสัมปชัญญะรู้ตัวจะรู้ตัวได้ก็เพราะมีสติแต่นั้นการที่ฝึกนั่งอยู่ดเดี๋ยวนี้ มีตติรู้ตัวอยู่ตลอดเราอยู่นิ่งๆเราฝึกนั่งสมาธิเราฝึกอารมณ์ของใจให้อารมณ์ของใจของเราเป็นอารมณ์ดีความดีความสดขึ้นลื่นเลงยิ้ยมแย้มแจ่มใสเย็นอกยินใจจิตใจดีจิตใจงามภายใต้ความสำลักส่วนลึกของหัวใจของเรามันมีความดีเป็นเครื่องปรากฏอยู่ แะนเอาความดีนั้นนะทีเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของใจทําอะไรเนี่ยถึงความดีให้ใจมีความดีให้เห็นความดีใจจะมีความดีเป็นเครื่องอยู่เนี่ยถ้าเห็นความดีของใจใจมีความดีเป็นเครื่องโยงเราจะทําอะไรทีเนี่ยจะศึกษาเล่าเรียนมันก็เป็นประโยชน์เพราะความดีของใจ เราจะทำกิจกรรมใดการงานใดมันก็นเป็นประโยชน์เพราะใจของเรามีความดีเป็นพื้นฐานมีความดีเป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นการเรียนรู้การบำรุงใจให้ใจของเรามันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจิตใจมันโตร่างกายมันโตจะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็ก ดูนิสัยของเด็กเอาิริยามารยาทของเด็กถ้าไม่รู้จากการบัรหงจิตใจด้วยความดีแล้วแต่บังหลงแต่สังขารร่างกายสัขารร่างกายมันโตอยู่แต่ใจกิริยามารยาทความรู้สึกของใจจะเหมือนเด็กทำยังไงทีเนี้ย อันนี้ให้รู้ในตัวเองเข้าใจในตัวเองครับว่าตัวเราตัวเรามันมีอยู่สองระบบลักษณะนี้รูปร่างกายกับจิตใจขาดไม่ได้ถ้ารูปร่างกายไม่มีจิตใจเขาเรียกว่าคนตายเขาไม่เอาไว้อไม่เอาไว้แล้วรูปร่างกายอันนั้นน่ะ ต่านั้นสมบัติอันล้ำค่ามนุษย์สมบัติพวกเราจะเป็นผู้ชายจะเป็นจะเป็นผู้หญิงให้มาเรียนรู้ว่าใจของเราควรจะบำุงให้มันโตขึ้นโตขึ้นดีขึ้นโ ต, ข, น ข, นตขึ้นดีขึ้นมีเติมีปัญญามีความรู้มีความฉลาดความรู้ความฉลาดที่เรียนรู้ตรงนี้เอาหลักศีลธรรมมาเป็นเครื่องบำบงตติเนี่ยมันจะเกิดเติปัญญาเจติปัญญา มีความรู้มีความฉลาดอะจนเนี่ยส่วนร่างกายของเราถ้าใจมีความรู้มีความฉลาดมันโตขึ้นมาสังขารร่างกายแล้วก็รู้จักรักษารู้จักใจใช้อย่างไรมันเป็นประโยชน์ใช้อย่างไงมันไม่เป็นประโยชน์เราไม่ต้องใจเราไม่ต้องไปแล้วก็รู้จักรักษารักษาอย่างไรร่างกายของเราจึงจะเป็นไปเพื่อความสุคขความสบายไม่มีทุกข์ไม่มีโทษมันก็มีความฉลาด ใช้สติปัญญาใชสติปัญญาเนี่ยการเติบโตของมนุษย์คนเราจะเป็นพระสงฆ์องค์แนนแม่ขาวนางชีหรือพี่น้องญาติยยมลูกหลานเชื่อเถอหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาทีนี้ต่อไปให้นั่งสมาธิฟังเสียงธรรมภาคปฏิบัติจากเครื่องบันทึกเสียงคององค์ลวงตาได้พูดไปนานๆแล้วรู้สึกเหนื่อยแล้วล่ะอย่างว่านั่นล่ะ เอานั่งสมาี่ฟังธรรมนั่งภาคปฏิบัติก็องรน้งตาต่อที่เนี่ฐานธรรมที่จะให้ยังคงเส้นคงวาหน า, นานแน่นด้วยมรรคด้วยผล ตามที่พระพุทธเจ้าประทานไว้จริงจริยัดกับปฏิบัติต้องกลมกลืนกันไปไม่ศัก์แต่ว่าเรียนจำได้หมายรู้ตามที่ศึกษามาแต่การปฏิบัติไม่สนใจให้เป็นไปตามแบบตามเจ้บัตรตำหรับตำลาย ที่ได้ศึกษาเรเรียนมาย่างนั้นศา ส, สนาจะว่าไม่มีความหมายไม่มีวิธาสัจธรรุภาพที่จะทำโลกให้เย็นก็ไม่ผิดถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเคลือบแฝงกันไปหรือเป็นคู่เทียงกันไปเพราะศาสนาที่จะ ทรงมรรคทรงผลก็คือศาสนาที่ทรงเหตุทรงผลของผู้ปฏิบัติหนักแน่นอยู่ภายในจิตใจตามหลักศาสนธรรมตลอดเวลานั่นหละเป็นศาสนาที่จะแสดงลิทธาสัมดาโนภาพก่อนอื่นก็แสดงที่ผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติมีความหนักแน่นมั่นคง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 ายในใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองหากไม่มีการปฏิบัติเป็นคู่เคียมกันไปแล้วก็ไม่ผิดอะไรกับที่เขาท่องบนสังวัตยายหลักวิชาใดๆก็ตา่างก็เพียงจำได้เท่านั้นทำก็จำได้แต่ สูตรคำผีนั้นคำผีนี้ซึ่งเป็นเพียงคำบอกเล่าเจ้าของก็ไม่สนใจที่จะพิปฏิบัติคุณค่าแห่งธรรม ท, ที่เกิดขึ้นจากความจำนั้นก็ไม่มีที่จะทำให้เจ้าของได้รับความร่มเย็นผาสุขสมกับว่า น, นับถือพระพุทธศาสนา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 ถ้ามีแต่ความจำเฉยๆต้องมีการปฏิบัติด้วยผลถึงจึงจะเกิดได้เป็นลำดับลำดาบดังนั้นท่านจึงมีไว้เกี่ยวโยงกันไปว่าปริยัติได้แก่การศึกษารเรียนเมื่อรู้เฉลทิทางเดินแห่งธรรมที่สั้นทรงชี้แจงมาแล้วอย่างใดก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติต่าง ตามเส้นทิศทางเดินที่ตนเยนงจำได้แล้วนั้นไม่ให้ผิดพลาดผลย่อมจะเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็เป็นความเย็นใจที่ว่าที่ตนได้ปฏิบัติถูกนะอันดับต่อไปก็ปรากฏผลเป็นความสงบเย็นใจจากภาคปฏิบัติ ทางด้านจิตตภาวนาซึ่งเป็นภาคปฏิบัติอันสำคัญยิ่งกว่าภาคอื่นใดในวงการปฏิบัติแห่งพระพุทธศาสนาเ น, นี้จะค่อยแสดงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นผลเด่นขึ้นไปเป็นลำดับำลำดาดนางครั้งพุทธการท่านทรงมักทรงผลเป็นสาวกอรหรัตอรหันด้วนแล้วตั้งแต่ ท่านหนักแน่นในทางภาคปฏิบัติไม่ว่าการอยู่การกระทำอาภาัพอุดภาษาของเราปัจจุบันนี้ว่าภาคเดินธุดงกรรมฐานท่านอยู่ในสถานที่พระ พ, รพุทธเจ้าทรงเห็นชอบที่พระทเจ้าทรงแนะนำทรงสั่งสอนให้อยู่ท่านทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้า สั่งสอนให้ทาท่านเดินท่านเที่ยวท่านโคจรภาในฐานที่พื้นเจ้าทรงให้เที่ยวให้โคจรมีบททั้งสี่มีหลักธรรมหลักวินยัยเป็นเครื่องประกันตนอยู่เสมออยู่ด้วยหลักธรรมหลักวินยัยอยู่ด้วยใจเป็นธรรมธรรมกับใจย่อมคุมคืนกันได้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 ท่านทำไมท่านถึงได้ทรงมหาสมบัติเหล่านี้ได้โดยสมบูรณ์จนถึงกว่าหลุดพ้นจากทุกข์ไม่มีทิ่ใดอันเป็นสมมติเข้าเกี่ยวข้องท่านได้เลยก็เพราะท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความเอาจึงเอาจังมีความสนใจจดจ่อต่อเนื่องกันทางทางความภาคเพียรและความระมัดระวังทางด้านศีล และภาคเปลี่ยนทางด้านธรรไม่ขาดวักขาดตอนอยู่ที่ไหนมีธรรมเป็นพื้นมีความอยากรู้อยากเห็นมีความอยากหลุดพ้นจากทุกเป็นพื้นเพของใจหรือเป็นพื้นฐานของใจมีความมุ่งมั่นเป็นเครื่องดึงดูดความภาคเปลี่ยนทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาสมบัติเงินทองเข้าของบริษัทบริวารยศถาบรรดาศักดิ์ท่านตัด ออกโดยลำดับลำดาตามวิสัยของผู้มีความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์แม้จะมีกิเลสอยู่ในหัวใจก็าตามกิเลสเหล่านั้นก็ไม่มีอำนาจที่จะล้างท่านเอาไว้ได้ท่านทั้งสละด้วยทางกายทั้งตัดความอะไรเสียดายทางจิตใจเปิดทางให้ การก้าวเดินเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยความสะดวกโดยทางความภาคความเพลี่ยนทุกปียาบทตลอดถึงทุกความเคลื่อนไหวของใจมีสติคอยระมัดระวังรักษามีปัญญาอคอยกันกรองอยู่โดยสม่ำเสมอสมาธิไม่มีก็มีขึ้นได้นะท่านก็เป็น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 นับถือจึงมีความแตกต่างกันไปเป็นลำดับลำดาหาประมาณไม่ได้แต่เรายังแยกแยะจิตใจของเราเข้าสู่อัสถ่ธรรมอันเป็นธรรมที่เลิศในแก่ศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าองค์ประสิอตรัสสอนไว้แล้วโดยถูกต้องเมื่อได้มาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยต่อจิตใจของตนดู ด้วยเพศแห่งความเป็นนักบวชนี้จึงรู้สึกว่าเรามีวาสนาบารมีไม่น้อยดังนั้นท่านทั้งหลายจงอย่าได้ลืมเนื้อลืมตัวในความมีวาสนาได้แยกตนออกมาสู่ทางที่ถูกที่ดีคือทางแห่งความพ้นทุกข์ด้วยการประพฤติปฏิบัติเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง อันเป็นอุปกรณ์แห่งการก้าวเดินเพื่อความพ้นทุกนี้ไม่มีสิ่งใดบกพร่องในส่วนภายนอกปัจจายีเนี่ยคำว่ากีวรก็สมบูรณ์บินทะบาทก็ยังที่เราเห็นแล้วนั้นเห น, นาสะนะก็พอเป็นพอไปและให้พยายามหาที่เด็ดที่เดียวที่สงบสนัดยิ่งกว่านี้ไปกีฬานัเพศก็เหมือนกันนียาไม่อดไม่อยากแต่ยาต ทรงจิตติดพันกับอยู่กับยามากกว่าให้ติดพันในตริยสัตว์มีทุกขสัตวเป็นต้นโดยถือว่าโลกนี้เป็นโลกที่เกิดแก่สุดตายอนิจจังทุกขังอนัตตามีอะไรก็เยียวยากันไปตามเกิดตามมียาไปถือเป็นความกังวลเป็นความตัวเป็นตัวตายให้เหนือสัจะทำไปจะเป็นเรื่องของพิเรศ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 ดีไมด่ดีถ้าเราประมาทดืมเนื้อดื้ตัวกับปัจจัยเครื่องอาศัยเหล่านี้ <c oughs> ก็อาจจะทำให้เราเสียได้ดืมเนื้อลืมตัวไปได้ <c oughs> เพราะมีมากต่อมากแล้ว <c oughs> ยิ่งไม่มีอะไรเป็นอุปสรรค <c oughs> นอกจากระบบข้องในความพาคความเพียรของเรา <c oughs> นี่เป็นของสำคัญ <c oughs> และบกห้่องในจุดสำคัญด้วย ความเพียรนะถ้าไม่มีท่าต่อสู้จะเป็นความเพียรไปไม่ได้ทนะ่าต่อสู้ต้องมีเจตนานะเจตนาก็ต้องสัมผัสสัมพันธ์กับสติกับปัญญานะถ้าเรามีทำที่กล่าวมาเหล่านี้รวมตัวกันเข้าที่เรียกว่าความเพียรแล้ว พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันก็ดีท่านหลุดพ้นจากทุกข์เพราะความเพียรนี้ทั้งนั้นทำไมเรานำความภาคเพียรันเป็นทางสายเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายมาชายจะผิดจะพลาดจะขาดจากงามความดีมีมรรคผลนิพพานเป็นสำคัญไปได้จะไม่พลาดจะไม่ผิดส่วนชา้าหรือเร็วนั้น ก็เป็นไปตามกําลังความสามารถเพราะคำที่ว่าความหนาความบางสลิดนิสัยตลอดการปฏิบัติของแต่ละหลายละหลายนั้นไม่เหมือนกันอาจจะช้าเพราะความผิดพลาดความเพียรของเราไม่เต็มเน็ตเต็มหน่วยก็ได้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 ความเพียนต้องตั้งได้แต่ระวังที่เนื้อนิดหนึ่งก็ตามเข้ามาเป็นพิษเป็นภัยเป็นพลังอันสําคัญที่จะลบล้างหรือทําลายความภาคเพียรของเราให้เอ็นเอียงเป็นอย่างน้อยให้ล่มจมเป็นอย่างมากไปอยู่สม่ำโดยสม่งเสมอนี่ที่แบบไม่สามารถจะเป็นไปได้เพราะไม่สามารถที่จะ รู้กลบอุบายของทิเดสประเภทต่างๆที่เป็นเครื่องต่อต้านภายในจิตใจอันเรากำลังประกอบความภาคยันอยู่ให้ล้มเหลวไปล้มเหลวไปนี่้าช้าก็ต้องช้าที่ตรงนี้เป็นํำคัญอากาที่ว่าเราหนาเราบางด้วยทิเดศนั้นยาดวนไปอุตริยาดวนไปรู้ข่อนพระพุทธเจ้า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 และธรรมนี้ก็เป็นธรรมที่เคยปราบกิเลสมามากต่อมากแล้วให้สิ้นสุดยุติจนกระทั่งไม่มีซากซือเหลืออยู่ภายในใจดังพระพุทธเจ้าของเราทรงดําเนินมาแล้วทุกๆพระองค์ด้วยอํานาจแข็งธรรมนี้เท่านั้นเป็นเครื่องปราบไม่มีสิ่งอื่นใดจะปราบกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือได้พระสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ปราบกิเลสให้ราบเรียบไปถึงความ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 แล้วปัญญาทำไมจะไม่สอ่งสว่างทั่วถึงในหัวใจนี้ซึ่งมีความรู้รอยู่ภายในตัวเองนี่ใหญ่หรือเล็กก็ดูเอารู้อยู่ภายในตัวเรารู้อยู่รอบตัวจะว่าใหญ่ขนาดไหนจะว่าเล็กขนาดไหนเมื่อสติปัญญานำมาใชา้เพื่อความรบูบรอบตัวแล้วก็มีทางที่จะรู้จะเห็นถ้าเห็นค่ากิเลสให้บัรไลัยไปจากใจได้เช่นเดียวกับข้าพุธการท่าน ไม่มีที่น่าสงสัยการประกอบความภาคเพลินเราอยากถือว่าเป็นเอาความทะาดวกเข้ามาเป็นกฎเป็นเกณฑ์เข้ามาเป็นเครื่องดำเนินเข้ามาเป็นนิ ส, สัยภายในจิตใจของเราจะเป็นความเสียหายไปโดยลำดับกำดาเพราะนี้เป็นคนมายาอันหนึ่งที่สาคัญของเจรเลยซึ่งเคยหลอกยงโลกมานานแสนนานแล้วให้ให้ตั้งไว้เพื่อความพ้นทุกข์ให้ตั้งไว้เพื่อความสาเร็จ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 ก็ อ, อยากไปหมดในสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นก็อยากเนี่ยขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วหาประมาณไม่ได้นันอยากอยูตลอดเวลาการบวชมาและการประพฤติปฏิบัติตัวเองถ้าไม่เพื่อกําจับไม่เพื่อปราบปรามความอยากอันเป็นเคยเป็นพิษเป็นภัยแก่ตนมานานแสนนานแล้วก็ไม่เรียกว่าความเพียรเพราะอันนี้เด่นมากที่เป็นข้าศึกอยู่ในหัวใจเราเวลานี้อยากเห็นเป็นยังไงนะถ้าเราปล่อยให้เห็นแล้วจะคืบคลานเข้าไปอีก มากครับอีกอนเรื่องความเห็นได้เห็นแล้วจะหายสงสัยแล้ยุติความอยากจะไม่มีนั้นเป็นไปไม่ได้ออืเอาอยากดูรูปดูสิพออยากดูรูปพอเห็นรูปแล้วจะอยากอะไรไปอีกน่ะอยากฟังเสียงพอได้ยินเสียงแล้วจะอยากอะไรไปอีกในแง่ของเสียงนั้นๆั น, น, นี่มันจะเป็นไปเรื่อยๆอย่างนี้ท่านจงเรียกว่านัตติตันหาสมานาทีแม่น้ําจะกว้างแสนกว้างลึกแสนลึก ไม่มีแม่น้ำใดเสมอด้วยตัณหาคือความหิวความหยอยู่ตลอดเวลานี้เลยยังไม่ถึงกว้างก็ยังกวัดไม่ได้ลึกก็ยังไม่ถึงได้แก่ตัณหาเป็นตัวชนะแม่น้ำหาสมุทรทะเลโดยสิ้นเชิงแม่น้ำไหนจะกว้างขนาดไหนลึกขนาดไหนสู้ตัณหาอันนี้ไม่ได้ ท, ท่านจะเรียกว่าความอากความอยากเนี่ย การประกอบความเพียนก็คือการปราบกรามความอยากให้ตับเรื่องความอยากภายในจิตจะออกตามทวารต่างๆเพราะเป็นทางเดินของความอยากซึ่งมีอยู่ภายในจิตผักดันออกมาให้ออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายแล้วก็ออกทางธรรมอารมณ์ที่ได้เคยสัมผัสจ้ำพันธ์กับสิ่งใดมาแล้ว ที่เรียกว่าไอยะนาผ่ายนอกรูปเสียงกลินรสเครื่องสัมผัสได้รับเรื่องราวอะไรแล้วจะนํามาคุ่นคิดเป็นอารมณ์นี่ก็ไม่มีความอิ่มพอเหมือนกันได้กขมาตรงนี้แล้วก็ไม่มีความอิ่มพอคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาก็อแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจให้ลุ่มร้อนอยู่ที่ไหนที่ไหนไปที่ใด ห, หาความสบายไม่ได้โลกแสนกว้างก็ ไม่ได้ไปคับแค ท, ที่ตรงไหนไม่ไปกระเทือนที่ตรงไหนในโลกที่กว้างๆนั้นแต่ก็มากระทบกระเทือนที่หัวใจดวงนี้เพราะผู้นี้เป็นผู้กอ่อเหตุโลกกระทา่าทั้งหลายดินผ้าอากาศเขาไม่ใช่เป็นผู้กอ่อเหตุก่อเหตเรื่องราวอะไรขึ้นมาผู้นี้ตัางหากคือใจตรงนี้เป็นผู้รู้ผู้รู้และมีแสนคนมายา ที่จะให้รู้ในอง่ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาผลักดันขึ้นมาทาั้งนั้นพระจะนั้นจึงลำบากสาหรับสัตว์โลกและเราๆท่านทำที่จะให้อยู่ด้วยความสะดวกสบายไม่ได้เพราะสิ่งรบกวนสิ่งบีบบังคับสิ่งผลักดันมีอยู่ตลอดเวลาเวา้นแต่ละเวลาหลับสนิทเท่านั้นด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงเห็นทุกข์เพราะอานาจของกิเลสสมุทย อย่างถึงพระไทยตัดกันด้วยมากคือความพยายามทุกด้านทุกทางศรัทธาวิญยะสติสมาธิปัญญารวมตัวเข้าเพื่อฟาดฟันหั่นแหลกกับสถานที่ก่อเหตุให้เป็นกองฟืนกองไฟขึ้นมาภายในาจิตใจนี้ให้หมดสิ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วก็ไม่มีไฟกองใดจะมาแสดงอีก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 ไม่มีอะไรเกินกิเลสในโลกอันนี้มีกิเลสเท่านั้นที่เป็นภัยต่อจิตใจของสัตโลก็ถ้าเราอยากท้าก็ให้พยายามแก้ไขกันเข้าไปต่อสู้กันเข้าไปหักความอยากเข้ามาตัดความอยากเข้ามาอยากอะไรไม่สนใจเป็นมีแต่ว่าอยากรู้อยากเห็นตัวอยากตัวทเยอทยานนี้ว่ามัานเป็นหน้า อ, อะไรบ้างถ้ามีหน้าอะ <c oughs> ดูให้มันเห็นมันชัดเจนตรงนี้ให้มาก แล้วเราก็จะทราบเองเนื่อเรื่องกองปืนกองไฟที่มันก่อขึ้นมาเนี่ยมีตรงไหนรวมลงไปแล้วมีอยู่ที่จิตแท่งเดียวพอขยับออกมาก็เป็นปืนเป็นไฟออกมาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสขยับก็เท่ากันกับไฟที่แสดงตัวออกมาหรือกระเด็นออกมานั่นเองถ้าเป็นธรรมก็เหมือนน้าดับไปซาดเข้าไปมากน้อยก็ทำ ไฟให้ยุบย่อลงไปจนถึงดับถึงมอดไปได้นะแล้วสิ่งเหล่านี้ใครเป็นผู้มาสอนใครเป็นผู้ฉลาดเหนือพระพุทธเจ้ามีที่ไหนสอนเน้นหนักลงที่ใจของสัตว์โลกนี้เองเราะนี้เป็นตัวทุกข์ที่สุดไม่มีอะไรเกินหัวใจเราเร า, เราท่านท่นและสัตว์ทั้งหลายมีกี่ดวงวิญญาณเป็นกองทุกข์ไปหมดทุกดวงวิญญาณไม่มีดวงวิญญาณใดที่จะไปอิสระ ทั้งทั้งที่จิเลสดยังฝังตมอยู่ภายในตัวเองนั้นนอกจากใจของพระพุทธเจ้าและพระรหันท่านซึ่งไม่มีซาจิตเล็ดเหลืออยู่ภายในพระไทยและใจของท่านนั้นเลยท่านจึงเป็นบรมสุขได้เพราะไม่มีภัยอยู่ภายใ น, ในใจิตใจและท่านไม่ไปชมเชยสรรเสริญดินฟ้าอากาศแดนโลกชาติใดๆว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐ เ, เลิศเลยยิ่งกว่าการสิ้นจิเล็ดภายในจิตใจนี้นั่น และไม่มีอะไรยิ่งกว่าความบริสุทธิ์ของใจที่ปราศจากซาจิเลสไม่มีกิเลสไม่มีเหลือแล้วผ่านใาจเป็นความบริสุทธิ์พุทโธโดยแท้และการชมก็การตําหนิก็ไม่ได้ทรงตําหนิอันใดในสามเดนโลกาธาตุนี้ไม่ได้เห็นโทษสิ่งใดในสามเดนโลกาธาตุนี้ยิ่งกว่าการตําหนิยิ่งกว่าการเห็นโทษของกิเลสซึ่งบีบบังคับอยู่ภายในใจของพระองค์เอง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 ในวันที่บําทรงบําเพนอนาปานนัสติที่ใต้โคนต้นไม้คือต้นไม้โพนั่นหลับท่านมาลูกมูลท่านอยู่ลุกขมูลได้ตรับบําเพนที่ลูกขมูลตรับสลูที่ลูกขมูลคือต้นไม้ต้นเดียวไม่มีที่มุงที่บงัง ร, ร่มโพ และทรงตั้งสัจจะอธิษฐานลงในที่นั่นด้วยว่าสถานที่นี้เป็นหนึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของเราบรรลุธรรมถึงแดนิ ม, มุตติพ้นเป็นศาสดาขึ้นมาถ้าไม่สองถ้าไม่ได้บรรลุธรรมหรือตรัสรูธรรม ต, มตามความมุ่งหมายนี้แล้วสถานที่นี้ต้องเป็นที่ตายของเราเท่านั้นไม่มีความเป็นอื่นที่จะเคลื่อนขาดโยกได้ไปไหนอีกไม่มีแล้วนะัต นี่เป็นคติตัวอย่างได้เป็นอย่างดีสำหรับเราผู้ปฏิบัติที่จะทำความเด็ดเดี่ยวในขณะที่ควรจะจินจะจำจะเด็ดเดี่ยวควรเอาหลักอันนี้มาเป็นคติเครื่องสอนใจเราสมนามกับว่าศาสดาศาสตาเป็นเครื่องสอนโลกเป็นผู้สอนโลกคติทุกอย่างได้มาจากพระเจ้าไม่มีผิดนี่พระองค์ทรงดําเนินมาอย่างนี้ นั่นเด็กไหนพระพุทธเจ้าของเราเราต้องคำนึงเสมออย่าให้อันใดมีข้อหนักแน่นมากกว่าธรรมให้พึงนำมาทบทวน บ, บวกลบอุปหารกันระหว่างกิเลสกับธรรมเราอยู่แล้วเราเกิดมาเนี่ยจนระทั่งบัดนี้อยู่มาด้วยจนมะทั่งบัดนี้เราอยู่ด้เรื่องของกิเลสทั้งนั้น ไม่มีธรรมมาเป็นเครื่องอยู่แล้วผลเป็นอย่างไรบ้างเมื่ออยู่ด้วยอำนาจของเกเรคือไปก็ต้องไปด้วยอำนาจของเกเรความเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยอำนาจของเกเรทั้งนั้นผลเป็นอย่างไรมีแต่ความรุ่มร้อนภายในจิตใจใเราได้รับความแปลกประหลาดอัศจรรย์อะไรบ้างนับแต่เพียงมันเกิดมาถึงบัดนี้เท่านั้นนถ้าไม่บําเพ็ญ ทำอย่างเข้มงวดกวดขันเพื่อสังหารกิเลสให้สิ้นซากไปจากแก่แล้วเรื่องความพ้นทุกข์หรือความอยู่สบายเป็นอิสระนั้นเราอย่าพึงหวังนอกไปจากความเปลี่ยนให้พึงหวังในความเพลียนของเรามีหนักเบามากนอก้อยเพียงไรให้ทุ่มกันลงไปตรงนี้เป็นจุดที่มุ่งหมายเป็นจุดที่จะสมหวังดีที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงสมหวัง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 ยังจะยังจะกล้าจะแข็งจะเด็ดจะเดียวจะด้านไปจะพัดตะคือต่อธรรมทั้งหลายไม่มีที่สรินถุกถ้าเราปลอยตามมันแล้วเรานับวันที่จะด้านต่อตอัตต่อธรรมนับวันที่จะหนาแน่นด้วยกี้เลยพฉะนั้นหนาแน่นโดยมหันตทุกอย่าว่าแต่ทุกธรรมดาเลยจะหนาแน่นไปโดยลําดับกันดาเอามาทดสอบคือเรื่องเหล่านี้กับการ ประกอบความภาคเปี่ยนด้รับความทุกข์ความลําบากมาขนาดไหนทุกข์ก็ไม่ใช่ทุกข์เพราะอื่นใดก็ทุกข์เพราะการต่อสู้กับกิเลสต่างหากนี่เราไม่ได้ทุกข์เพราะการต่อสู้กับธรรมธรรมไมไ่เป็นฆาสิทธิต่อเราผู้บําเพ็ญกิเลสต่างหากเป็นฆาสิทธิต่อเราผู้บำเพ็ญ ก, การต่อสู้เราต่อสู้กับกิเลสต่างหากไม่ได้ต่อสู้กับธรรมถ้าเรายังเห็นว่าการประกอบความภาคาเปลี่ยนเป็นของยากก็เท่า กลบว่าเรานี่ยอมแพ้กิเลสบันจังคัมแล้วยังไม่รู้เลยว่าคนของกิเลสเป็นอย่างไรบ้างเราจรึงไม่ยอมเห็นโทษของเกิเลสตัวทําให้ยากตัวให้ลําบากตัวต่อสู้ทําในเวลาประกอบความเปอย่างนั้นนะหากเราพอจะเห็นโทษมันบ้างเราก็ต้องฝืนกันเราต้องต่อสู้กันการต่อสู้นี้ไม่ใช่จะมาสอนให้พระพุทธเจ้ามาสอนให้ต่อสู้กับ นี่เลยแต่เพียงพวกเรานี่เท่านั้นพระองค์ทรงต่อสู้มาแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความลําบากพระพุทธเจ้าก็ทรงลําบากมาแล้วถึงขั้นมหันตทุกข์เพราะการต่อสู้ทกิเหลือพระองค์ก็ทรงทํามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านทางเหตุมาโดยสมบูรณ์แล้วจนถึงกับได้ผลเป็นที่พอพระทัยแล้วจึงนํามาสอนโลกเมื่อสอนลงมาถึงพวกเรานี้ทําไมเราจะเห็นว่าการประพฤติทธรรมเป็น ความไม่สะดวกการปฏิบัติธรรมเป็นของยากเป็นของลําบากไม่เห็นว่าการต่อสู้กับกิเลสเพื่ออัดเพื่อทำนั้นเป็นของลําบากเพราะกิเลสเหนียวแน่นมั่นคงเพราะกิเลสมีกําลังมากเพราะกิเลสมีความเฉียวฉลาดแหลมคมจึงต้องต่อสู้กันจนกว่าว่ากิเลสนี้มีกําลังลงน้อยเท่าไหร่แล้วมากน้อยลงเท่าไหร่แล้วการต่อสู้จะได้เบาลงไปลงไปเราทําไมไม่คิดอย่างนี้ เราไปเห็นธรรมเป็นโทษไปเสียนี่เห็นเมื่อเห็นธรรมเป็นโทษก็เห็นมรรคผลนิพานเป็นค่าติทต่อเรานี่เห็นกิเลสเป็นมิตรเป็นสหายทั้งๆที่กิเลสเป็นยักษ์เป็นผีเคยทำลายจักโรกมามากขนาดไหนแล้วเนี่ยการไม่ทันกับผลมายาของกิเลเราไม่ทันอย่างนี้สดดร้อนๆในวงความเปลี่ยนของเรานั่นแหละถ้าเราอยากจะทราบก็บําเพ็ญไปดิเพราะพอเราเคยแพ้มาจะเท่าไหร่แล้วเพราะความทุกข์ความลําบากนี่ก็เห็นว่าลาบากลําบากไปเสีย ไม่ได้คำหนึงถึงว่าอะไรพาให้ลำบากถ้าพูดถึงเรื่องทุกข์พิจารณาทุกข์คงนั้นชดัดสิทุกข์ท่านบอกว่าเป็นสัจธรรมนี่แล้พิจารณาที่เรามองดูกิเลสตอนเรามองดูทุกข์มองดูด้วยอํนนานาจของกิเลสมองดูด้วยความเห็นเป็นของกิเลสไปเสียหมดไม่ได้มองเห็นดูด้วยความเป็นธรรมนั้นจริงไม่เห็นอริยสัจนั้นจริงไม่เป็นอริยสัจมันยังเป็นเรื่องของสมุทยัยไปหมดทุกข์นั่นก็นเลยเพิ่มสมุทัยขึ้นมา เห็นม่าเป็นความทุกข์ความลำบากเห็นเป็นแบบโลกก็คือแบบกิเลสไปเสียกิเลสก็ยิ่งมีกําลังพระพ่อขุนขึ้นไปเดี๋ยวก็ล้มเนี่ยความเพียรล้มนี่แหละเราเคยเป็นมาจะเท่าไหร่แล้วการต่อสู้บบกับกิเลสล้มโดยเราไม่รู้สึกว่าเราได้ต่อสู้เราไม่รู้สึกว่าเราได้ล้มเรายังคิดไปว่า ก, การปฏิบัติทำลาบากถึงขั้นทุกข์ทรมานจนถึงขนาดที่วันล้มความเพียรนะ กิเลสทาให้ล้มเราก็ยังไม่รู้แต่ว่างไงกิเลสทําให้เจลีดให้ปวดแสบร้อนเราก็ไม่รู้กิเลสทําให้เราโง่ไม่ให้รู้สัจธรรมเราก็ไม่รู้น่ะเป็นยังไงกิเลสถ้าพิจารณากันทางทั้งในทา ง, ทางเป็นอริยสัจแล้วทุกขนาดไหนก็ให้มันเห็นกันสิทําไมจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าเคยเห็นมาแล้วจึงนํามาสอนโลกภาษาวกเห็นมาแล้วจึงนํามาสอนโลกจึงบริสุทธิ์ เรายังไม่เห็นเห็นแต่เรื่องของกิเลสเห็นแต่ความเล้ยวแหลกแบกแนวเห็นแต่ความล้มน่าลายไม่เป็นท่าเพราะอำนาจของกิเดกิเลสตบต่อยทุกตีเอาแหลก <laughs> เราเห็นแต่เนี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่ากิเลสมันทุกมันต่อยมันตีเราให้ล้มจากความภาคความเพียรนี่เป็นยังไงพีเดชมันละเอียดไหมเมื่อพิจารณาก้าวเข้าสู่สัจธรรมให้เห็นประจักษ์โดยชัดเจนแล้วทุกเหล่านี้มันมีความหมายอะไร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 น้ำกม็มีกิตตวิญญาณไฟกไม็มีกิตตวิญญาณเวลาดับกันหักดับได้อย่างนั้นนะนี่แล้วเย็นขึ้นมาที่ตรงไหนความเย็นก็ไม่มีประการรับทราบกันความเย็นก็ไม่ทราบความหมายของตงัวนี่เป็นต่างอันต่างกิ่งหักดับกันได้อย่างที่ดับนั้นนี่เหมือนกันเรื่องอริยสัจถ้าลงพิจารณาให้เห็นตามความจริงเนื้อเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอื่นนี่ทําไมจะไม่มีแก่ใจที่จะต้องต่อสู้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 คำว่ามีความแก่กล้าสามารถทางด้านสถิปัญญาก็ก็คือมักมีกำลังนั้นเองแล้วจะยิ่งจะสังหารีิเลกอันเป็นตัวสมุติไทยลงได้อย่างง่ายไดง่ายดเข้าไปดูลำดับนี่แหละการประพฤติปฏิบัติท่านผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้ความหนักแน่นแม่นยำต่ออัดต่อทำเอาจริงเอาจังกับที่เลย หากจะเป็นอยู่อย่างที่เคยเป็นมาเป็นอยู่อันนี้ก็เราก็ทราบแล้วว่าผลเป็นอย่างไรบ้างนันต้องหลายสันพันขมในการฟัดกันเหวี่ยงกันด้วออยวิธีการต่างๆนี่เวลานี้ก็จะหมดไปหมดไปแหะศาสนาหมดไปจากหัวใจของผู้นับถือแล้วยนนข้ามาอีกกัของผู้ปฏิบัติค่อยด้อยลงทุกอย่าง ความนับถือก็ได้ยลงการปฏิบัติก็ได้ยลงผลไม่ปรากฏสุดท้าย ก, ก็เหลือตั้งแต่คำภีรใบลานเต็มไปหมดความจดความจาจําได้แต่ไม่สนใจแต่ปฏิบัติตามเทําว่าอย่างหนึ่งว่าวินัยว่าอย่างหนึ่งตัวทําอย่างหนึ่งซึ่งเป็นค่าศึกษาศาสนาธรรมคือหลักธรรมหลักวินัยไปเรื่อยๆสุดท้ายผู้จมผู้เสียหายก็คือผู้ฝืนนั่นแหละธรรมชาติของธรรมแท้ไม่ได้สูญหาย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 ต้องพยายามตักตวงเอาอัดเอาทำด้วยการประิตปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักตามหลักทำหลักวินยัยนี่เท่านั้นจึงจะ ก, ก้าวเข้าสู่แดนพ้นทุกข์ได้โดยลำดับลนดับไม่สงสัยตะกี้นี้พูดถึงเรื่องคำว่าศาสนาเสื่อมอันนี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้วให้ดูหัวใจเจ้าของเนี่ยมันเป็นอย่างไรวันนี้ร่าแข็งขึ้นในทางภาคปฏิบัติตลอดถึงผล ที่ปากรอย่างไรหรือไม่หรือหย่อนลงไปหย่อนลงไปยานลงไปอจนพันแข้งพันขาจ้ของให้ล่มลุกคู่ขคคานถึงขนาดที่ว่าลุกไม่ขึ้นนั่นแหละกิเลสมันพันเมื่ออ่อนลงไปก็อ่อนลงไปเพื่อกิเลสไม่ได้อ่อนลงไปเพื่อธรรมคำวมาอ่อนหรือหย่อนยานลงไปไม่เพื่ออะไรทั้งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสหย่อนยานลงไปเพื่อกิเลสกิเลสกดกิเลสดึง กิเลสลากกิเลสไถไว้ไปจนไม่ทั่งถึงลุกไม่ขึ้นแล้วเราจะหาความดีมาจากที่ไหนมีออกปัญษาแล้วแต่ต่างคนต่างออกประกฤติปฏิบัติตกรรจัดกิเลสสถานที่ใดเป็นที่สงบสงับพิเวสดังพระพุทธเจ้าสอนสถานที่นั้นแหละเป็นสถานที่จะทรงอัดทรงทางทรงธรรมทรงความภาคเพียรให้มีความแหนะหนาแ น, น่นแม่นยําขึ้นทางด้านจิตใจของเรา ให้ไปอยู่ในสถานที่นั้นอย่ากลัวเรื่องเป็นเรื่องตายอย่างไรก็ต้องตายเกิดมาในชาตินี้ต้องตายแต่ก่อนจะตายขอให้จัด ต, ตัวงเอาคุณ ง, งามความดีให้สมมติสมยัยหรือเต็มความมากตัถนาหรือให้สมใจเต็มใจแต่ก่อนแล้วค่อยตายตายเมื่อไหรไม่มีอะไรสําคัญเนี่ยน้ำหนุ่นไฟสลายจากการประทุมนี้ลงไปสู่ธาตุเดิมขอเขาท่านั้นจิตนี่เป็นยังไงพอตัวหรือไม่บกพร่องอะไรความบกพร่องนั้นเป็นความกระเทือน ทางเรื่องทุกข์แบบจิตใจถ้าเป็นความดีมีความสมบูรณ์ปูนผลก็เป็นเป็นความดีสําหรับจิตใจเป็นสิริมงคลเอาทําให้จิตหยุดพ้นสยงไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่มีความห่วงหน้าห่งหลังไม่มีเงื่อนใดเป็นน้ําหนักไม่มีเงื่อนใดมากดท่วงจิตใจให้รับความกังวลวุ่นวายได้เลยแต่ก็แตกตายก็ตายรู้อยู่แล้วตั้งแต่ ยังไม่แตกตั้งแต่ยังไม่ตายด้วยสติปัญญาในการพิจารณาที่เรียกว่าจิตตภาวนาของเรามาแล้วช่ำช่อมชองมาแล้วชํานานมาแล้วรู้มาแล้วถ้าจะพูดว่าคอยก็คอยแต่ว่าละที่มันจะเป็นไปตามจิตเป็นสักขีพยานยของใจเหล่านี้ว่าอนิจจังทุกขังนาตาคือความโน้มความตายแปลไปแปลไปจนท่านถึงความโน้มความตายมันจะถึงวันไหนในสุดท้ายแห่งความมีชีวิตของเราเนี่ยจะพังเมื่อไหร่ย เพราะความรู้นี่รู้ไปแล้ว <c oughs> ว่าต้องพังเนี่ยเห็นได้เราจะไปกลัวในการประกอบความภาเพียรว่ะกลัวตายกลัวตายไม่สมเหตุสมผลต้องเอาให้จริ ง, งจังนักปฏิบัติเรานี่ล่อยหลอลงไปล่อยหลอลงไปทําให้อดยิ่ตกไม่ได้นะทําให้ยิตกกังบนกับหมู่กับเพื่อนเพราะความอ่อนแอทอดแท่ความเลวหลแต่ในขณะที่อ่อนแอทางด้านธรรมานี่ ีิเลดมันเข้มแข็งขึ้นทุกวันทุกวันจนทําให้อุจจารบาดตาขึ้นมาในวงปฏิบัติของเราเป็นลําดับลําดาจะพลาดยังไงละ่ะเราไม่ละอายบ้างหรืออายตัวเราทีทําอยู่กับตัวของเราเองเป็นหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับตัวของเรากับหัวใจของเราทําไมเราถึงจะไม่อายในตัวของเราทีน่โอตตปะไม่อายตัวเองจะอายที่ไหนคนไม่อายตัวเองก็ทําได้หน้าด้านแบบหน้าด้าน คนมีหิริอุตตปาภายในจิตใจแล้วทาไม่ลงให้เป็นหลังนั้นนัะปฏิบัติตั้งใจประพฤติปฏิบัติกําจัดความชั่วทั้งหลายที่เคยอธิบายมาแล้วนี้นี่เป็นเวลานี่เป็นโอกาสที่จะออกประพฤติปฏิบัติแล้ว <c oughs> เราจะไปคิดเรื่องตัดใ จ, จสี่อาหารการบริโภคถ้าเอาอันนี้เป็นอารมณ์แล้วก็จะกล้าไม่ออก ผู้ปฏิบัติแล้วก็เหมือนเราก้าวขึ้นสู่เวทียังไงก็จะต่อยให้ถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตายอันนี้ก็ยังไงก็จะอาให้กิเลสทางไถ่โย เ, เท่านั้นการทุกข์ยากลำบากเคยทุกมาพอแล้วไม่ใช่จะมาทุกเฉพาะเวลาประกาะความเพียรนี้เท่านั้นแล้วเคยทุกมาตั้งแต่วันเกิดแล้วสงสัยอะไรเรื่องทุกไม่งั้นท่านจะเรียกว่าของจริงเหรอถ้ายังมาตื่นอย่างนี้จะเป็นของจริงได้ยังไง ให้มันเห็นจริงในทุกทั้งหลายการประกอบความภาคเพลินก็ไปด้วยความสะดวกสบายเรื่องปัญญาถึงเวล า, าที่ควรจะพิจารณาอย่านอนจมอยู่เฉยพิจารณาได้คิดได้คิดหลายครัง้งนะเหนพิจารณาหลายครัง้งนะเห็นบังคับด้วยสติเข้าไปก็ย่อมจะรู้เหตุรู้ผลจากการค้นคิดของตนขึ้นมาเป็นสัพพิประญาณอันหนึ่งว่าเป็นผลขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้และจะทําห้จิตใจของเราให้ดู ด, ดื่มแล้วพอใจในการพิจารณา แล้วก็จะเบิกทางให้กว้างขวางละเอียดละออลงไปในความแยบคายของปัญญาในขณะที่ปัญญามีความแยบคายไปโดยลาดับนี้เลยก็ก็ขยายตัวออกเรื่อยๆื่อยๆหรือพังไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงดุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละเป็นสิ่งที่พึงหวังสําหรับเราผู้ปฏิบัติเพื่อหากําไรอย่างเดียวไม่ได้เพื่อหาความร่มจงถ้าเป็นความร่มจมขึ้นมาแล้วก็เสียชื่อเสียเสียง เสียคุณค่าของเป็นมนุษย์ก็คือเราเสียทั้งคนพ้าเสียทั้งองค์เพราะอํานาจของกิเลสบีบบังคับสู้อํานาจกิเลสไม่ได้แพ้กิเลสนี่เป็นสิ่งที่เสียศักดิ์ศรีมากในพระเราซึ่งเป็นลูกศีษย์ทศกัณฐ์นักรบทศงครามไม่มีการท้อถอยคือพระองค์งงศจัจจะแต่ลูกศิษย์นี่มีแต่ความแพ้ความแพ้แพ้จนเดยวแหลกแบบแนวใช้ไม่ได้เลยไม่ควรที่ใช้มีในหัวใจเรา ผู้ิบัติทั้งหลายนอกจากความเกล้าสามารถเท่านั้นเองท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาละการแสดงธรรมก็ เ, เห็นว่าสมควร <c oughs> ฟังวิธีสร้างความดีของท่านท่านปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระที่ดีท่านทำยังไงเห็นอะไรเป็นทุกข์เป็นโทษ มันก็อันเดียวกันแหละกับเรื่องญาติโยมก็เห็นกิเลสเห็นตัณหาที่เป็นของที่ไม่ดีนะเป็นทุกข์เป็นโทษสำหรับญาติโยมต้องการที่ดีจะเนี่ยทำยังไงกระเดกเลี่ยงต่อสู้ในสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษเอาจริงเอาจังเหมือนอย่างเดียวท่านเทศท่านบอกท่านสอนทั้งภาคปฏิบัติพระสงฆ์องค์เจ้า ผบานเข้าใจการฟังการฝึกแนวทางของหลักสินธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหผพานเข้าใจหน้าที่ของตัวเองวันนี้เห็นว่าพอสมควรเจ้เวลาเลิกเปลี่ยนนิบบทของใครของเราเอาทีเนี่บุกโยมเลิกไปก่อน